ตลอดพรท่านผู้มีจิตเมตาตากรุณาใจบุญใจบุญสมทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2556เป็นวันหยุดโชคชยวันพุธจันท์คม เป็นวันกำไรของผู้แสวงบุญผู้ที่ชอบทำบุญเพราะมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันมีเวลาที่จะมาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมา ฟ, ฟังเทศฟังธรรมการทำบุญ มีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเพราะถึงแม้จะเสียเงินทองเสียเข้าของไปเงินทองและเข้าของต่างๆความจริงก็ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราวเพราะว่าเวลาที่เราตายไปเราก็ไม่สามารถ เอาเงินทองข้าวของต่างๆไปกับเราได้ดังนั้นการที่เราต้องเสียเงินเสียทองเสียข้าวของต่างๆเพื่อการทําบุญจึงเป็นการกํำไรไม่ขาดทุนเพราะว่าเราจะได้มีบุญติดตัวไปกับเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วบุญนี้เราเอกไปกับเราได้ บุญนี้แหละที่จะพาให้เราไปสู่สุคติไม่ใช่เวลาที่เราตายแล้วมีคนมาขอขอให้ไปสู่สุคติเธอขออย่างไรก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีบุญพาไปต้องมีบุญถึงจะไปสู่สุคติได้และไม่มีใครทำบุญให้กับเราได้ นอกจากเราต้องทำบุญกันเองในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเรามีบุญแล้วจะขอหรือไม่ขอใจก็จะไปสู่สุขติเพราะเป็นหลักของเหตุผลเหมือนกับผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินมีเงินทองเวลาจะไปเที่ยวก็สามารถไปได้ มีตั๋วเครื่องบินแล้วมีเงินติดตัวไปอยาไปเที่ยวไหนก็ไปได้ไม่ต้องขอขอถ้าไม่มีเงนินไม่มีตัว๋วขอแล้วก็ไปไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะไปเกิดในสุขติไปเกิดเป็นเทพเป็นพรมหรือไปเกิดเป็นพระอริยสาวกของพ่อพรธเจ้า เราก็ต้องพยายามทำบุญกันอย่างน้อยที่สุดก็ต้องทำให้มีทำบุญมากกว่าทำบาปเพราะว่าเวลาตายไปนี้บุญและบาปจะเป็นผู้ที่มาดึงใจของเราไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ไปเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพร ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นนสุรกายเป็นสัตว์นรกถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปถึงแม้ว่าบาปเราจะมีอยู่มากแต่ถ้าไม่มีกำลังมากพอสู้กำลังของบุญไม่ได้บุญก็จะเดึงเราไป สวรรค์ได้อย่างองคุลิมานี่เคยฆ่าคนมาถึง9 9 9คนแต่พอได้พบกับพระพุทธเจ้าและสอนให้องคุลิมายุติความโลภความโกรธความหลงเพราะองคุลิมายุดความโลภความโกรธความหลงได้ องคุรีมาจิตขององคุรีมาก็มีบุญที่จะเดินให้ไปสู่พระนิพพานได้พอไปถึงพระนิพพานแล้วองคุลีมาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับไม่ต้องไปอภายไม่ต้องไปนาวุเพราะว่ากําลังของบุญคือการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่มีกําลัง มากกว่าบาปที่ทำเอาไว้ในทางตรงกันข้ามพระเทวทัพนี้ทำบุญด้วยการมาบวชนักษาศิน์นั่งสมาธิจนมีความสามารถพิเศษมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่ยังมีความโลภความอยากอยู่ถึงกับขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า จะขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธพระเทวทัตก็ความโกรธแค้นอาฆาตปยาบาพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันครั้งแรกส่งคนมาฆ่าก็ทําไม่สําเร็จทั้งที่สองปล่อยช้างให้ออกมาเพื่อที่จะฆ่าพระพุทธเจ้า ก็ไม่สำเร็จทั้งที่สามก็ขึ้นไปบนภูเขาแล้วรอเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาก็เก่งก้อนหินลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าตายแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพียงแต่ทำให้พระบาทของพระพุทธเจ้าห่อเลือดเท่านั้นเองแต่การที่เราทบาปถึงสามครั้งนี้ถือว่าเป็นอนันตเลี้ยงกัน เป็นบาป ท, ที่หนักที่สุดมีกำลังมากกว่าบุญที่ได้มาบวชได้นั่งสมาธิจนได้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์พอตายไปกำลังของบาปนี้มีกำลังมากกว่าก็เลยดึงให้ไปตกนรกแต่พระพุทธเจ้าทรงะยากรณ์ไว้ว่าหลังจากที่ได้ใช้บาปหมดไปแล้ว บุญที่ได้จากการมาบวญบุญที่ได้จากการมีสมาธินี้จะทําให้พระเทวทัตได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และได้บรรลุปเป็นพระประเจ้าพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเรื่องของบุญและบาปที่ไม่สูญไม่หมกไปเพียงแต่ว่าผัดกันออกผลฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่า ฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นก็จะส่งผลออกมาก่อนฝ่ายไหนมีกำลังน้อยกว่าฝ่ายนั้นก็ต้องรอให้ฝ่ายที่มีกำลังมากกว่าหมดกำลังไปก่อนถึงจะออกมาแสดงผลได้นี่คือเรื่องของบุญและบาปที่เราทำกันอยู่ทุกเวลาทุกวัน บางวันเราก็ทำบุญบางวันเราก็ทำบาปก็จะสะสมไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่เราตายไปบุญกับบาปก็จะมาวัดกำลังกันฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะดึงให้จิตไปเกิดตามกำลังของฝ่ายที่มีกำลังมากกว่าถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะถูกดึงให้ไปเกิดในอบาย มีอยู่สี่สถานที่ด้วยกันคือเดลฉานอสุรกายเปรตหรือนรกการจะไปเป็นเปรตอสุรกายนรกหรือเดลฉานนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุของการทำบาปว่าทำด้วยเหตุผลอะไรถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป ไม่รู้ว่ามีผลของการทําบาปตามมาเวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานนี่เขาทําบาปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นบาปเขาทําบาปเพราะเขาต้องเอาตัวเขารอดเขาต้องกัดกินสารเล็กสัา์น้อยเพื่อให้เขาอยู่รอดาการการทําบาเพื่อเป็นการอยู่รอดนี้ ก็จะทำให้ไปเกิดเป็นแดระาชาาเช่นคนที่ทำมาหากินด้วยการฆ่าผู้อื่นเช่นฆ่าเป็ดฆ่าก่ฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าปูฆ่าปลาเป็นอาชีพหรือเป็นทหารตำรวจถ้าไปฆ่าคนร้ายไปฆ่าฆ่าศึกศัตรูอย่างนี้เรียกว่า ทำบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปคิดว่าเป็นไม่เป็นไรคิดว่าจำเป็นจะต้องทำทำแล้วก็จะต้องไปรับผลของบาปคือจะไปเกิดเป็นเด ร, าารัจฉานถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญแต่ถ้าทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่แต่ขยันทำบุญขยันปฏิบัติธรรม พยันรักษาศีลเท่าที่จะรักษาได้เวลาตายไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ยังไม่ต้องไปใช้บาปแต่ถ้าเวลาบุญหมดกำลังแล้วบาปมีกำลังมากกว่าก็อาจก็จะต้องถูกบาปนึ่งไปให้ไปเกิดเป็นเนราชานี่เรื่องของการทำบาปเพราะความหลงถ้าทำบาปเพราะความโลภ อยากได้มากๆอยากร่ำอยากรวยทั้งทงที่พอมีพอกินไม่ต้องทำบาป ก, ก็อยู่ได้ไม่อดตายแต่อยากจะมีมากๆอยากจะรวยก็เลยทำบาปอย่างนี้เวลาตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตทำบาปเพราะความโลภนี้ทาให้เป็นเปรตถ้าทำบาปเพราะความกลัว กลัวว่าจะอดอยากขาดแคลนก็เลยพยายามหามาสะสมไว้มากๆกลัวเดี๋ยววันข้างหน้าไม่มีอาหารไม่มีเงินทองไว้ใช้ตอนนี้มีโอกาสก็เลยรีบหาเงินหาทองหาข้าวหาของมามากๆด้วยการทำบาปอย่างนี้ตายไปก็จะไปเป็นอสูรลกาย ถ้าทำบาดด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาดอย่างพระเทวทัตเวลาอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธคนที่มาขัดขวางความอยากของตนก็จะพยาปองลายหรือฆ่าคนที่ทําให้เขาไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้ทําให้เขาเกินความโกรธความเกลียด อาฆาตพยาบาทถ้าทำบาปด้วยการอาฆาตพยาบาทนี้ตายไปก็ต้องไปตกนรกนี่คือที่ไปของผู้กระทำบาปต่างๆส่วนผู้ที่ทำบุญนี้ถ้าทำบุญรักษาศี่งได้ก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้านั่งสมาธิได้ก็จะไปเกิดเป็นคมชั้นต่างๆ ถ้าจเจริญปัญญาพิจารณาความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับเราไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดหรือจะทำตามคำสั่งของเราได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะบรรลุเป็นพระ อริยเจ้าขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ท่านโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพาาระาอรหันต์แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์ถ้าเป็นท่านโสดาบันขั้นสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติสำหรับพระโสดาบัน สำหรับพระอนาคามีก็จะกลับมาเกิดไม่เกินหนึ่งชาติถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นคมแล้วก็จะปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมในสวรรค์ชั้นโคมไปนี่คือเรื่องของบุญและบาปที่พวกเราทำกันอยู่อย่างสม่งเสมอขอให้พวกเราพยายามนำลึกถึง คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆนำเรื่องลลถึงชีวประวัติของพระพุทธเจ้าของพระอาญญาาริยสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านทำบุญหรือทำบาป<ม>ถ้าเราคิดถึงท่านอยู่เรื่อยๆ เ, <ม>เวลาเราทำบาป<ม>เราจะได้มีพระพุทธเจ้า มีพระอริยสงฆ์มาคอยเตือนสติเราว่าอย่าไปทำบาปทำแล้วจะต้องไปตกนรกไปเกิดในอบายทำบุญดีกว่ายอมอดตายดีกว่ายอมอดอยาขัดแพงดีกว่ายอมอดทนอดกั้นที่จะไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำบาปแล้วถึงแม้เราจะตายไป เราก็จะตายอย่างกําไรเราจะไปเกิดในสวรรค์เราไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายแต่ถ้าเราทำบาปแล้วบาปนี้เราล้างไม่ได้ชำระไม่ได้นอกจากต้องทําบุญให้มีกำลังมากกว่าบาปเพื่อที่จะได้ดึงใจของเราไม่ให้ไปตกนรกไม่ให้ไปใช้กรรมในอบายนั่นเอง แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องไปใช้กรรมในตอนนี้แต่ถ้าบุญหมดกำลังเมื่อไหร่บาปมีกำลังมากกว่าเวลานั้นบาปก็จะดินใจให้ไปเกิดในอาบายได้นอกจากว่าถ้าสามารถยุติการกลับมาเกิดได้ถ้าไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องไปเกิด ในอบายหรือมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดบนสวรรค์ผู้ที่จะยุติการไม่กลับมาเกิดในภพทั้งสามคือรู ป, ประภพอรู ป, ประภพและการมาภพได้ต้องเป็นผู้ที่ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องเป็นพระอาริยขั้นสูงสุดก็คือพระอารหันต์ผู้ที่จะ เป็นพระอาหารหันต์ได้ก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตั้งแต่การทำบุญให้ทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิและการจเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเห็นอย่างนี้ ก็จะยุติความโลภความโกรธความหลงได้พอยุติความโลภความโกรธความหลงได้ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถึงแม้จะเคยทำบาหมามากน้อยเป็นไกรก็ตามถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงหนึ่งไปให้ไปเกิดก็ไม่ต้องไปเกิดไปใช้กับหรือไปรับผลบุญ ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในสวรรค์จะอยู่ที่พระนิพพานที่เปรียบเป็นเหมือนสวรรค์ชั้นสูงสุดความมีความสุขมากยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆและเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันบกไม่มีวันเสือ่อมไม่เหมือนกับสวรรค์ที่เกิดจากการทาทานเกิดจากการรักษาศีลที่หลังจากได้ไป เกิดในสวรรค์อยู่สักระยะหนึ่งแล้วบุญที่ได้ทำไว้ก็จะหมดกำลังก็จะทำให้ต้องตกลงมาจากสวรรค์ตกลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าไปถึงพระนิพพานแล้วจะไม่มีวันกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่มีวันกลับมาเกิดเป็นครงเป็นเทพอีกต่อไปนี่คือ สถานภาพของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเพราะว่าท่านได้ทำบุญทุกขั้นตอนเต็มที่เลยทำทานอย่างเต็มที่มีเงินทองข้าวของเท่าไหร่ <c oughs> ก็ยกให้คนอื่นหมดแล้วก็ออกมารักษาศีลตลอดเวลาพร้อมกับการนั่งสมาธิและเจริญปัญญาจน ไม่มีความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่ภายในใจจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันตสาวกพวกเราก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระอาหารหันตสาวกก็ได้ถ้าพวกเราพยายามทําทานกันให้อย่างเต็มที่รักษาศีลกันให้อย่างเต็มที่นั่งสมาธิกันให้อย่างเต็มที่ เริญปัญญากันอย่างเต็มที่รับรองได้ว่าผลก็จะต้องเป็นแบบเดียวกับของพ่อพธเจา้าและของพระ อ, อรหันตสาวกทั้งหลายเพราะผลนี้เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากสถานภาพว่าเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แต่เกิดจาก การปฏิบัติเต็มที่ที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองการปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่บกพร่องถ้าเป็นนักเรียนก็สอบได้ร0อเอร์ซสอบได้ที่หนึ่งแล้วปฏิบัติชอบก็คือการปฏิบัติไม่ผิดนั่นเองปฏิบัติอย่างถูกต้องตามคำสอนของพ่อพุทธเจ้าทุกประการ นี่แหละคือเหตุที่จะทำให้ได้ผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสากทั้งหลายได้รับผลกันไม่ได้อยู่ที่ความปรารถนาเพียงอย่างเดียวเช่นเราเวลาทำบุญตักบาตแเราก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ไปถึงพระนิพพานการขออธิษฐานให้ไปถึงพระนิพพานนี้ ไม่สามารถทําให้เราไปถึงพระนิพพานได้การจะไปถึงพระนิพพานได้ต้องทําบุญให้ทานอย่างเต็มที่ต้องรักษาศีลอย่างเต็มที่ต้องนั่งสมาธิและเจริญปัญญาอย่างเต็มที่เท่านั้นถึงจะไปได้ดังนั้นเวลาเราทําบุญขอให้เราอธิษฐานแบบนี้ขอให้เราอธิษฐานว่าขอให้ได้ทําบุญอย่างเต็มที่ ขอให้ได้รักษาศีลอย่างเต็มที่ขอให้ได้นั่งสมาธิได้เจริญปัญญาอย่างเต็มที่อันนี้แหละจะทำให้เราจะได้ไม่ลืมไม่ลืมในการทำทานในการรักษาศีลในการนั่งสมาธิและในการเจริญปัญญาพอเราตั้งใจว่าจะทำบุญอย่างเต็มที่พอเรามีโอกาสอย่างวันนี้ เราก็มาทำบุญกันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนให้เต็มรอยรักษาสีนก็รักษาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มรอยนั่งสมาธิก็นั่งให้บ่อยให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มรอยแล้วก็จเจริญปัญญาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆพิจารณาถึงความไม่เที่ยงถึงความทุกข์และความไม่มีตัวตัวตน ของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโรบนี้ให้เต็มรอยถ้าทำได้เต็มรอยแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มรอยอย่างแน่นอนดังนั้นไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งมาทำให้เราไม่สามารถรับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายรับได้นอกจากความเกียรติคร้างของพวกเราเท่านั้น ถ้าเรามีความเกียจข้านไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบต่อให้มีความปรารถนามากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถทำให้ผลที่อยากได้ปรากฏขึ้นมาผลจะปรากฏขึ้นมาได้นี้ต้องเกิดจากความภาคเพียงเจอ ก, การเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น ดังนั้นขอให้พวกเราจงเจริญเหตุให้มากไม่ต้องไปกังวลกับผลผลจะเกิดไม่เกิดไม่ได้อยู่ที่เราไปอยากได้หรือไม่อยากได้ผลจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่เหตุคือการกระทาของเราถ้าทำเหตุผลก็จะต้องเกิดตามขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจของเรา ให้กับการเจริญเหตุให้กับการสร้างเหตุเหมือนกับเวลาเราอยากจะได้บ้านเราก็ต้องขยันปลูกบ้านถ้าเราไม่ปลูกบ้านไม่สร้างบ้านขึ้นมามีแต่นั่งขอนั่งอธิษฐานขอให้ได้บ้านขอไปจนมันตายก็จะไม่มีหวังได้บ้านแต่ถ้าเราขยันสร้างบ้านขยันหาเงินหาทอง เพื่อซื้ออุปกรณ์ของการก่อสร้างบ้านจ้างคนมาช่วยทำช่วยสร้างไม่นานบ้านของเราก็จะสำเร็จได้ทันใดเรือนใจของเราก็คือพระนิพพานก็จะสำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติของเราด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราไม่ได้เกิดจากการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่สามารถมอบสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้ถ้ามอบได้ป่านนี้เราก็ร่ำรวยกันไปหมดแล้วเราก็กล า, ายเป็นพระนิจกลายเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ทําได้เพียงแต่สอนเราให้กําลังใจกับเรา ยุยงให้เราปฏิบัติกันให้มากๆเพราะนั้นเองแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรายังไม่ปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เพราะการปฏิบัตินี้เป็นหลักเรื่องของอัตตาหิตอัตโนโราโธตนเป็นที่พึ่งของตนที่พึ่งนี้ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเอง ถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็คือความสุขความเจริญความห่างไกลจากความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะตามมาความปลอดภัยจากภัยต่างๆต่างๆก็จะตามมาใจจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะมีสานะคืออัตตาหิอัตโนานาโถนี่เองส่วนสวนนะัมมาณะคือพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นผู้บอกทางเป็นผู้นำทางให้กับเราเราต้องเดินตามพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือด้วยอัตตาหิอัตาโนนาถุเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเท่านั้นเราถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปกันได้ดังนั้นเวลาใดวันใด ที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆก็ขอให้เราใช้วันเวลาเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของเราด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งในเวลาอันใกล้นี้ พรนิพพานก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราด้วยการมาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อผลที่ดีที่เลิศที่จะตามมาต่อไป